m อ3สาแผนที่สิบสามที่จะออกไปโดยลรำดรับมีหัวข้อกติธรรมว่าเข็มทิศชีช้บอกทางฮิโอตปะชี้บอกทมในซีดีแผ่นนี้มีหัวข้อที่ได้กล่าวก็เข้าทานอง ในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะโลกบาลคือท ร, รมคุ้มครองโลกสองอย่างเิลิคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปโลกมนุษย์ไม่ไว่ายอยู่ในมุมไหนของโลกถ้าหากว่าไม่มีเฮลิคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปแล้วโลกนี้จะหาความสงบ ร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่จะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นช่งกันละกันสรุปแล้วก็คือไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจเพราะนั้นโลกจะร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องมีทำสองอย่างเพราะนั้นแผ่นซีดีแผ่นที่สิบสามนี้ ถ้าพวกเราฟังในเนื้อหาสาระก็จะเน้นหนักไปทางศีลธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันการคองชีพการรู้จักประมาณตนแล้วการรู้จักที่สูงที่ต่ำคือรู้จักวัยวุฒิคุณวุฒิคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ ผู้มีอุปการะคุณสำหรับพวกเราทุกๆท่านเพราะว่าพวกเราเกิดมาได้อย่างไรอันนี้ถ้าว่าพวกเราไม่ได้นึกย้อนหลังมีแต่นึกไปข้างหน้าก็จะไม่เห็นคุณค่าคุณธรรมศีลธรรมที่ดีเพราะนั้นธรรมะแผ่นนี้ MP3 แผ่นนี้จึงได้ ออกม้อคอว่าเฮลิคือความละอายอตปะคือความกลัวต่อบาปในสิ่งที่ไม่ดีอย่าลิคิดอย่าลิพูดอย่าลิรำโอตปะคือความกลั ว, ส, ลลล ว, ลวสิ่งที่มันไม่ดีให้กลัวต่อบาปให้เหมือนกับเรากลัวอัสรพิษหรือบ่ากลัวไฟ ที่มันจะเผาไหม้อย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นผู้มีความกลัวต่อบาปคือบาปคือสิ่งที่ชั่วอย่าให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนเราให้เราถือว่าความชั่วทั้งหลายให้อยู่คนละฝากกันตามหลักที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนในตรัตาไว้ว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่า เพราะกคมชั่วนั้นย่อมเาผาผ่านเมื่อภายหลังในเมื่อเรานำมาคิดนำมาพิจารณาดูแล้วเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตายถ้าว่าใครก็ตามในเมื่อทําลงไปแล้วคิดว่าใครจะไม่รู้ไม่เห็นในขณะที่ตนทาแต่อีกสักวันหนึ่งกคำชั่วตนนั้นจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพรานั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่า น, นที่เป็นบรรพชิตหรือเป็นนักบวชหรือเป็นครวาตพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าให้สารวมระวังไว้นันดีที่สุดการที่จะสารวมระวังให้ดีที่สุดนั้นถ้าหากว่าพวกเราคิดธรรมดามันก็ไม่ลึกซึง้งแต่ถ้าว่าพวกเรามีสมาธิธรรม ในจิตใจด้วยคือทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบแล้วจากนั้นก็นำมาไตรตรองพิจารณาเหตุและผลในเรื่องนั้นๆในเหตุการณ์นั้นๆพวกเราจะมองเห็นสิ่งดีได้สิ่งชั่วได้ชัดเจนด้วยปัญญาของพวกเราอีกเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาคือปัญญา สิ่งที่ได้ยินได้ฟังอันนั้นอีกส่วนหนึ่งจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนเหตุผลนั้นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งไม่จิตทําจิตให้ไม่ให้ปุงฟุ้งร้านให้จิตใจอยู่กับตนเองแล้วค่อยไตรตรองเหตุและผลที่มันเกิดขึ้นอนั้น อันนั้นทว่าวภาวนามยปัญญาเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้ถือว่าที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วนั้นเป็นกระจกเงาหรือว่าเป็นแนวทางที่ให้พวกเราจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางจะประสบความสำเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนาได้เพราะนั้นการปารลบเอ็พีสาแผ่นที่13บสา ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนไตรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ